พระธรรมเทศนาแผ่นที่52ลำดับที่11อโดยหลวงพ่ออินทไวสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่14เมษายน 2,556 มีชื่อเรื่องว่าลิ้มรสความสงบวันนี้เป็นวันที่14 เมษายนพุทธศักราช2556วันนี้กลุ่มลูกหลานนักศึกษาที่เข้ามาบวชจัดเตรียมตัวบวชก็ขอให้ตั้งใจและก็ศึกษาเพราะพวกเราลูกหลานทั้งหลายมาอยู่น่าสถ า, านที่ ยังไม่เคยมาแล้วก็เป็นแนวทางหนึ่งไม่ใช่เป็นคราวาสอันนี้เราจะเป็นพระในพระพุทธศาสนาต้องอยู่ในกฎเกณฑ์และกฎระเบียบหนึ่งเพราะนั้นจะให้เหมือนเป็นคราวาส ท, ทั่วไปคงจะไม่ใช่อย่างนั้นเพราะนั้นให้พวกเราศึกษา เราเข้ามาศึกษาตาดูหูฟังใจให้สาเร็จคล้ายๆว่าให้คุ้นคิดสิ่งที่ได้เห็นได้ยินมานั้นอันนี้แปลว่าเป็นผู้เข้ามาศึกษาเมื่อได้เห็นได้ยินได้ฟังถ้ามีความสงสัยในสิ่งที่เห็นได้ได้ยินได้ฟังนั้น ก็ให้มาถามถามพระเรืมีความสงสัยถามพระหรือถามหลวงพ่อเมื่อมีโอกาสแต่ให้ถามพระพี่เลี้ยงนั่นละก่อนถ้าว่าถามพระพี่เลี้ยงแล้วยังไม่สนิทใจหรือยังไม่เข้าใจให้มาถามหลวงพ่อเพราะหลวงพ่อเป็นเจ้าของสำนัก อย่าไปตั้งความสงสัยจะไปเอาความสงสัยไว้ในใจจากนั้นก็เมื่อสงสัยไว้ในใจเมื่อเราออกไปเราก็ยังสงสัยเพราะเหตุไรเพราะมันยังไม่หมดความสงสัยแต่ถ้าว่าเข้ามาแล้วหลวงพ่ออธิบายให้ฟังให้ลูกหลานได้ฟังว่าที่ถามมานั้นเป็นยังไงในเมื่ออธิบายให้ฟังแล้ว ก็หมดความสามารถที่หลวงพ่อจะชี้แจงให้ฟังและลกูกหลานจะตัดสินใจยังไงจะเชื่อหรือไม่เชื่อจะเป็นยังไงอันนั้นเป็นสิทธิ์ของลกูกหลานที่จะต้องตัดสินใจเองท่านี่แหละอันนี้เมื่อเราเข้ามาศึกษาหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า หรือแนวทางประพฤติปฏิบัติของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราเนี่ยให้คำตอบทุกคำถามเ่หลวงพ่อมั่นใจว่าทำคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่จนตรอกจน ม, มุมพร้อมที่จะชี้แจงเหตุและผลให้ผู้ถามผู้เข้ามาศึกษาให้ได้เข้าใจในเรื่องนั้นๆพระนักศึกษาทั้งหลาย ให้สนใจกใส่ใจในการฟังและการศึกษาถ้าว่าพวกเราแต่นังสือหลวงพ่อเขาไม่ปฏิเสธถ้าจะให้ผู้ใดชอบอ่านก็ให้อ่านได้แต่หลวงพ่อว่าในช่วงนี้ที่เข้ามาศึกษาเนี่ยให้เราอ่านหนังสือเพียง 20% สซส่วนอีก 80% ์นั้นให้พวกลูกหลานทั้งหลาย สนใจในพการภาวนาในการประพุทธปฏิบัติจุดนี้หลวงพ่อย้ําแล้วย้ําอีกเพราะเหตุไรเพราะพวกเราเข้ามาศึกษาหาโอกาสอย่างนี้หาได้ยากแต่จะหาโอกาสอ่านหนังสือนั้นหาได้ง่ายเรานั่งขับรถกับราไปที่ไหนไหนเราอ่านหนังสือได้แต่เรามาอยู่ในป่ารงพงไพในที่สงบสงัดอย่างนี้ถ้าว่าผู้ใดใยในการใยในธรรมภาคปฏิบัติ จะเห็นคุณแลอเห็นแนวทางที่พวกเราจะเดินแล้วจะต้องประพึติปฏิบัติเพราะมันอยู่ในที่สงบสงัดแต่เราอยู่ในแต่เดี๋ยวนี้พวกเราก็ยังอยู่ในยังรวมกลุ่มกันอยู่เพราะว่าเรายังฝึกหัดและกะขกหานาแต่ถึงยังไง ถ้าเราจะเดินจงกรมแล้วก็ปรีกหมู่ อ, อกได้ในขณะที่เราไม่ใช่ว่าเราจะท่องเอสาหังอยู่ทั้งวีทั้งวันเราก็เดินตามถนนที่เรามีอยู่เอาไม้ไปกัน้นสองข้างแล้วเราก็เดินเราก็เดินท่องเอสาหังก็ได้หรือว่าเมื่อเดินแล้วเราอาจจะเดินภาวนาต่อก็ได้ อันนั้นคือเป็นทางเดินจงกลมอย่างดีถ้าว่าพวกลูกหลานฝ่ายในการศึกษาเพราะนั้นขอให้พวกเราลูกหลานทุกคนนะสรุปแล้วก็คือเบื้องรดเบื้องต้นเบื้องแรกลูกหลานเจะต้องมีความขันติมีความอดทนแล้วก็มีความเพียรมีความพยายามให้ศึกษาเพราะว่า การเข้ามาอยู่ผิดสถานทีน่หลวงพ่อเป็นห่วงเหมือนกันนะาบางทีบางคนก็ไม่คาดคิดมันท้อถอยแต่ถึงยังไงถ้าว่าพวกเราได้เข้ามาอยู่ร้วว่ามีความตั้งใจ่อยในการศึกษามันก็ไม่เหลือวิสัยที่จะต้องอดทนเพียงแค่นี้ถ้าเรามาขี้แอเกินไป ถ้าไอ้กีแอรก็ยังว่าร้อนก็อยู่ไม่ได้นาวก็อยู่ไม่ได้หิวก็อยู่ไม่ได้กระหายก็อยู่ไม่ได้ใครพูดน้อยนึงก็เคืองหูอยู่ไม่ได้ผิดใจน้อยนึงก็อยู่ไม่ได้อันนั้นมันสุดสุดไม่รู้จะทำยังไงอีกเหมือนกันแต่ถ้าว่าพวกเราในการประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านบอกสอนเอาไว้ คนที่ชอบอ้างท่มที่ไม่มีความอดทนหนาวนักไม่ทำการนานหิวนักไม่ทำการงานกระหายนักไม่ทำการงานเช้านักไม่ทำการนัานเย็นนักไม่ทำการงานมัน ม, มีมีที่ออกต่างเยอะแยะเพราะว่าคนใจไม่สู้ต้องไปรักษณะอย่างนั้นถ้าคนที่ใจสู้แล้วข้าพเจ้ามาครั้งนี้เข้ามาเพื่อบวช เราจะท ด, ทดลองทดสอบดูพระสองฆ์องค์ก็เจ้าครูบาอาจารย์ท่านก็อยู่ตั้งมากมา ย, ยเป็นพระกรรมฐานเราก็เห็นว่าสายนี้นะ่ะที่เป็นผู้มุ่งมั่นเป็นผู้ปฏิบัติต่อหลักพระธรรมวินัยผู้แข่งต่อในหลักพระธรรมวินัยเราจะอยูนเนี่ยนะเราจะฝึกหัดเพราะเราเห็นพระเราได้ยินพระมากต่อมาก ออกนอกลู่นอ ก, ก, นอกทางใจของเราเนี่ยกระอักกระอวนเต็มทนเพราะเหตุใดพราะเราได้ยินเราได้เห็นเราได้ยินในสื่อต่างๆแต่บัดนี้มาถึงตัวของเราทดลองหน่อสิการบวชมันเป็นยังไงมันสู้กับอะไรมันอดทนกับอะไรสิ่งเหล่านี้อยากจะให้พวกเราลูกหลานทั้งหลาย มันสู้กับใจนะพูดได้เล ย, เลยมันไม่ใช่สู้กับอย่างอื่นแต่พอเห็นเขาทำสิ่งไม่ดีเราก็ตำหนิในจิตในใจแต่ข้อสำคัญตัวเองเข้ามาบวชแล้วอย่าไปทำความเสียหายด้วยตัวของเราเองแต่เมื่อก่อนเราตำหนิคนอื่นเขาไม่อยู่ในกรอบหลักพระธรรมพินัยแต่พอตัวเองเข้ามาบวชแล้วตัวเองทำผิด หลักพระธรรมวินัยเสียเองอย่าได้เป็นอย่างนั้นไอันนี้ขอบอกขอกล่าวขอเตือนเอาไว้พวกเราให้อดทนให้มีความขันติให้มีวิริยะคือความภาคเพียรอยู่ในจิตในใจและชีวิตประจำวันของพวกเราที่ชีวิตของประจำวันของพระกรรมฐานที่เป็นนักพรสนักบวชตามแนวแถวที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ ที่ท่านบอกกล่าวเอาไว้ท่านบอกว่าเอาตั้งแต่นั่นเอาตั้งแต่เรานอนนะท่านจะให้นอนสี่ทุ่มถ้า น, นอนเกินกว่านั้นท่านว่าไม่ได้ทำความพากเพียรแต่สี0ทุ่มเนี่พอเหมาะสี่ทุ่มให้พักผ่อนให้นอนเวลาเรานั่งเราเดินโยกกลมเสร็จเตียบร้อยแล้ว สี่ทุ่มเป็นเวลาพักผ่อนแต่ไปถึงเวลาตีสามน่าจะเพียงพอพอตีสามแล้วก็ลุกลุกไหวพระไหวพระสวดมนต์ย่อหรือพิจารณาก็สุดแท้แต่โดยมากจะย่อจะมากกว่าอย่างที่เราสวดในวันนี้อาหางสวากะโตสุปฏีปโนแล้วก็กราบแล้วก็แผ่เมตตาจากนั้นก็ทํามันยังห่วง ลักษณะมันยังง่วงท่านให้ลงเดินยังกลมซะก่อนอจุดเทียนแล้วก็เดินยังกลมสักยี่สิบสามสิบนาทีจากนั้นก็ขึ้นมานั่งอันนี้ก็คือตามแนวแถวที่ท่านพูดที่จะเล่งความภาคเพียนหรือเรากลัวลุกมาไหว้พระเสร็จแล้วทาวัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ น, นั่งนั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายเสร็จเรียบร้อยแล้ ว, ลวปน ม, มือ ขึ้นระหว่างอก เ, เวลานั่งสกขัดสมาธิแล้วไม่ใช่ว่าเอามือขวาทับมือซ้ายแล้วก็ภาวนาท่านว่าให้เอาขาขวาทับขาซ้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ประนมมือขึ้นระหว่างอกคือไหว้ครูซะก่อนล้ำลึกถึงพระพทุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ดีรู้ชอบด้วยพระองค์เองประกาศพระศาสนา เป็นผู้ประกาศพระธรรมคำสอนออกมาเรื่องจิตภาวนาเรื่องให้ภาวนาคื อ, คอพระพุทธทเจ้าเป็นผู้บัญญัติเป็นผู้บอกบอกล่าวเป็นผู้แนะนำเพราะนั้นเวลาเราจะนั่งภาวนาเราจ้องรมลึกถึงครูบรมครูของเราคือพระพุทธทเจ้าก่อนพอเรานั่งเสร็จเรียบร้อยแล้วประนมมือขึ้นระหว่างอกไหว้พระพุทธทเจ้าก่อนพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆ พุทโธธัมโมสังโฆสามจบจากนั้นเอามือลงในเมื่อเอามือลงแล้วเราให้แผ่เมตตาก่อนก็ได้ข้าพเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขแค่ว่าแผ่เมตตาคำนี้มันเป็นเครื่องทำให้ตัวเองไม่มีการผูกพยาบาทอาฆาต ใครๆทั้งหมดที่เคยโกรธโมโหโกรธามาแต่ก่อนเราวางไว้ก่อนเราวางไว้ก่อนเราไม่เอามาใส่ใจเพราะฉะนั้นจึงให้แผ่เมตตาข้าพเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขข้าพเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นสัตว์อื่นวิญญาณอื่นทั่วไตรโลกธาตุ ก็ขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนาทุกๆหัวใจทุกๆวิญญาณทุกๆท่านด้วยเทินแล้วก็บริกรรมหายใจเข้าบริกรรมพุทธหายใจออกบริกรรมโทหลวงพ่อจะขอแนะนำให้ภาวนาพุทธโทเท่านั้นหายใจเข้าพุทธหายใจออกโธถ้าหากว่ามันยังไม่อยู่มันทะเลถลายมันยัง องฟุง้งออกไปอยู่ให้บริกรรมให้ที่ไม่ต้องเอาพุทโธที่ลมหายใจเข้าออกเลยให้เอาพุทโธอยู่ที่ใจคือตัวนึกคิดตัวผู้รู้อะตัวนึกคิดตัวรู้รู้อย่างนัให้บริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธแต่อย่าไปพูดออกปากให้ใจของเราบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธให้ทีเย็บ ไม่ให้มีช่องว่างที่จะที่จะให้ใจของเราหลุดหลงออกไปเผลอออกไปให้อยู่กับพุทธโธตลอดอันนี้ก็คือสองอย่างนะอันหนึง่งหายใจเข้าพุทหายใจออกโธอันนึงให้พุทธโธพุทธโธให้ทีแต่หลวงพ่อเคยแนะนำและปฏิบัติกับตนเองได้ผลส่วนหนึ่งอันนี้ก็อยากจะให้พวกเราถ้ามันเอาไม่อยู่จริงให้พวกเราทดสอบทดลองดูเอ๊กการที่เราภาวนาเนี่ยมันเผลอในช่วงไหน มันหลุดไปในช่วงไหนอันนี้หลวงพ่อเคยจับตัวเองและเคยปฏิบัติก็เห็อยากจะให้ลูกหลานทดลองอีกแนวทางหนึ่งเนีอันนี้เป็นแนวทางที่หลวงพ่อแนะนํำหายใจเข้าให้เรานับหนึ่งหายใจออกนับสองห้ยใเข้านับสามนับ4ี่นับห้านับหกนับเจ็ดจนถึงร้อยถ้าไม่เผลอเอากลับมานับหนึ่งอีกถึงร้อย แล้วก็กลับมาอีกนับหนึ่งอีกถึงร้อยถ้ามันไม่เผลอถ้ามันเผลอมันจะเป็นยังไงมันเผลอมันจะเบอร์เบอนับไปไม่ยังไม่ถึงสิบเดาทางว่าเราไม่เคยฝุดหายใจเข้าเป็นเลขขี้ขี้คือหนึ่งหายใจออกเป็นเลขคู่สองหายใจเข้าสามหายใจออกสี่หายใจเข้าห้าหายใจออกหกเจ็ดแปดเก้าสิบเข้าออกเข้าออกเข้าออก ถ้ามันจะเผลอมันจะเบอร์เสร็จแล้ว ม, ม, ม, ม, มันจะหายใจเข้าเป็นเลขคู่หายจะออกเป็นเลขคี่แฮะแปลขขปว่าเราเผลอแหละ น, นั่นแหะให้ลูกหลานสังเกตดูให้ภาววิธิการภาวนาแต่ทีนี้เมื่อเราภาวนามีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นจริงๆเราพยายามมันเผลอไปดึงกลับออกมาถ้ามันเผลอไปคือเราตั้งจิตอธิษฐานไว้เลยว่า ในขณะที่ข้าพเจ้านั่งสมาธิข้าพเจ้าจะให้จิตอยู่กับตัวเองให้มากที่สุดให้มีสติสัมปชัญญะสติคือความระลึกได้สัม ป, มปชัญญะคือความรู้ตัวให้อยู่กับตัวเองให้มากที่สุดในขณะที่ข้าพเจ้านั่งสมาธิให้ตั้งใจไวอ้อย่างนั้น่างนั้นเราพยายามนั่งให้นานที่สุดถ้ามันปวดแข้งปวดขาธรรมดาเรานั่งที่ไหนมันก็ต้องปวด เราอ่านหนังสือเราท่องหนังสือเราทาการงานมันก็ยิ่งปวด เ, เพราะนั้นเราอย่าไปใส่ใจในการปวด เ, เราใส่ใจในใจของเราอย่าให้เผล อ, อให้ใจของเราอยู่ในความสงบให้นิ่งทำมันเผลอออกไปดึงเอามาไว้ที่เก่าอันนี้เราวิธีการฝึกสติอันนี้ก็คือเวลาเรานั่งภาวนาเราพยายามหลายครั้งต่อหลายหนใจของเราจะ เข้าสู่ความสงบรวมสงบลงเป็นหนึ่งได้แต่บางท่านบางคนเวลาเรานั่งสมาธิแล้วนั่งพอจิตสงบรวมลงไปใจของเราจะไปเห็นสิ่งต่างๆบางทีมันเผล่ไผลใครๆว่ามันเป็นอุปจารสมาธิมันออกไปเห็นเรื่องที่ไม่พึงปรารถนาบางคนก็เคยมี แต่ถ้าลักษณะอย่างนั้นเราจะไปตามดูอย่าไปตามดูในความคิดที่ออกไปนั้นให้ย้อนจิตเข้ามาหรือพอย้อนใจเข้ามาหาตัวผู้รู้มาหากรรมฐานเดิมกรรมฐานเดิมคืออะไรถ้าเราบริกรรมหัวพุทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโทเนี่ยเราเข้ามาจับจุดนี้อย่าไปตามดูอย่าไปตามดูอารมณ์หรือจะไปตามดูนิมิตที่เราได้รู้ได้เห็นนั้น ให้กลับมากรรมาฐานเดิมของเรานิมิตเหล่านั้นมันก็จะหายไปเองอย่าไปตามดูถ้าตามดูนั่นละ่ะจะทำให้จิตใจของเราหลงนิมิตส่งจิตออกนอกเป็นที่ตำหนิของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ถ้าส่งจิตออกไปอย่างนั้นให้ย้อนจิตย้อนใจเข้ามาหากรรมาฐานเดิมนิมิตเหล่านั้นเรื่องเหล่านั้นจะหายไปจากนั้นเราก็พยายามทาจิตใจให้นิ่งให้จิตใจให้สงบ เมื่อจิตใจสงบเป็นที่เป็นพื้นฐานพอสมควรแล้วจึงนำมาพิจารณาทางวิปัสสนาเดินทางวิปัสสนาที่นี่นี่แหละอันนี้ก็คือการนั่งสมาธิแล้วที่นี่วิธีการเดินทำไงวิธีการเดินเราไม่ต้องเคิร์นเคิร์น เ, เราปฏิบัติตามแนวแถวสายหลวงปู่มั่นที่ท่านแนะนำสั่งสอนสิทธิ์วิธีการเดินยังกลมทำยังไง เรากำหนดเส้นทางที่กุฏิแต่ละหลังที่วัดของหลวงพอ่อหลวงพ่อได้ทาทางจงกรมไว้ทกกลังพวกเราจะเห็นทางเดิน jong กรมแต่ถ้าว่ามันเป็นหลุมเป็นบ่อเราก็ให้ญาติโยมเขาเอาดินขึ้นไปกลบอีกไปถมอีกแล้วก็อาน้ำลดถ้ามันเป็นเนินเป็นสูงเป็นหินเราก็พยายามทบลงให้มันอยู่ในเกรดให้อยู่ในความเสมอ เออแต่เราจะไปขุดเองนะให้ญาติโยมใครก็ได้บอกครูบาอาจารย์บอกครูบาเก่าของเราเขได้ให้ท่านไปช่วยช่วยดูให้ทหําวิธียังไงที่จะทางเรียบท่านก็จะเอาคนไปช่วยช่วยดูให้เมื่อเราทําเสร็จเรียบเรียบร้อยแล้วทางเรียบร้อยแล้วทางสม่ําเสมอแล้วเวลาเราเดินยังกลมเราไปยืนหยุด ไปสุดข้างทางเดินยงกลมอยู่ข้างใดข้างหนึ่งอยู่ในจุดทางเดินยงกลมพอเสร็จแล้วก็เราก็หันหน้าไปทางเดินยงกลมอคือไปเดินจุดจุดทางแล้วก็หันหน้าไปทางทางยาวนะ่ะไม่ใช่หันหน้าเข้าป่านะหันหน้ามาทางทางเดินยงกลมที่เราจะเดินนะ่ะแล้วก็ประนมมือขึ้นระหว่างอกไหว้ครูซะก่อนอย่างเหมือนเหมือนกับเรานั่งสมาธินะ่ะ พนมเงือขึ้นระหวังอกลำเลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เพราะการเดินจงกรมไม่ใช่เราคิดได้คิดเดินเราไม่ใช่ครูบาอาจารย์บอกกล่าวแล้วก็เดินไม่ใช่อันนี้เป็นแนวแถวพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าท่านเคยปฏิบัติมาแล้ววิธีการเดินจงกรมเพราะฉะนั้นเราจะเดินจงกรมตามแนวแถวพระอริยสงฆ์สาวกหรือตามแนวแถวพุทธ ที่ท่านแนะนําสั่งสอนเอาไว้แล้วก็เราจะเดินตามแนวแถวพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านบอกกล่าวแนะนําเอาไว้เนี่ยันั้นเราจึงไหว้พุทโธธรร ม, มโมสังโฆพุทโธธร ม, มโมสังโฆพุทโธธร ม, มโมสังโฆสามจบจากนั้นเอามือลงเอามือลงเ อ, เอามือประสานกันไว้ในระหว่างท้องเออระหว่างท้องแล้วว่าระหว่างท้องน้อย มือประสานกันมือขวาทับมือซ้ายแต่หลวงปูมั่นท่านสอนบอกว่าอย่าเอามือคขว้หลังวิธีเดินเดินอย่างกรมการเดินอย่างกรมอย่าเอามือคขว้หลังถ้าเอามือคขว้หลังเดินเหมือนกับขาดความเคารพเหมือนกับนักเลงนักเลงเอาเดินไปเอาที่ไหนเอามือคขว้หลังแล้วก็อย่าเอามือกอดอก ถ้าเอามือกอดอกเหมือนกับคนมีทุกข์ในจิตในใจและอย่าไปไกวแขนท่านบ่วอกวเหมือนกับเดินธรรมดาขาดความเคารพเนี่ยให้เอามือประสานในระหว่างทองอันนี้คือลักษณะท่าลำพึงลำพึงคือท่าคุ้นคิดในเรื่องที่เราจะต้องรู้อยากจะรู้ในเรื่องบางอย่างที่เราจะอยากจะรู้ในเรื่องบางอย่างเป็นเรื่องที่ คุนคิดในเรื่องนั้นๆเอามือประสานไว้ที่ท้องแล้วก็ก้าวขาขวาพุธขาซ้ายโถนีขาขวาพุธขาซ้ายโถแต่เราไม่ต้องเดินช้าแต่ไม่ไม่เราอาจจะเดินช้าตั้งหน่อยก็ได้เพราะในการทดสอบเรื่องสติขาขวาพุธขาซ้ายโถ แต่พอเราเดินสองสามสี่ห้ารอบแล้วเดินตามปกติเหมือนกับเราบินทบาทเราเดินพิธนบาทเร็วช้ายัางไงก็เดินตามแบบนั่นล่ะถ้าเราเดินช้ามันจะเวียนศีษะเพราะว่าสติของเราหรือใจของเราผู้รู้ของเราเนี่ยนามธรรมของเราเนี่ยมันวิ่งเร็วยิ่งกว่าอะไรอีกเพราะนั้นเราจะมาเดินช้าช้าออไม่ได้ เบ้นเสียดแต่เป็นอุปนิสัยก็สุดแท้แต่แต่ถ้าเดินเร็วหลวงปู่มั่นครูบาอาจารย์เนี่ยท่านให้เดินตามปกติขาขวาพุทขาซ้ายโถพุทโถพุทโถจากนั้นก็หมุนกลับหมุนประทักษิณคือหมุนขวาแหมขวาหันลักษณะอย่างนั้นนะหันขวาหันทางขวาลักษณะพระทักษิณพอหันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ขาขวาพุท ขาซ้ายโถอีกอย่างเขาพุทโถพุทธโถพุทโถพุทธโถมาถึงนะกันันขวาจากนั้นก็ขาขวาพุทขาซ้ายโถพุทโถพุทโถพุทธโถสรุปแล้วก็คือให้มีสติในการก้าวเดินไม่ให้มันหลงเผลอไผลไปที่อื่นให้มีสติสัมปชัญญะในการก้าวเดินให้อยู่ที่ขาของเรา อย่าไปคิดไปทางอื่นในขณะที่เดินหลับตาไม่ไม่ต้องหลับถ้าหลับไม่ต้องหลับตาแล้วก็ไม่ต้องมองไปข้างอื่นให้มองในระหว่างสํารวมมีตาทอดลงห่างจากก้าวเดินไปม 39, ไปันสามก้าวอันนี้เรียกว่าตาทอดลงถ้าว่ามีแมลงมีมดมันข้ามถนนของเรา เราก็หากิ่งไม้หรือกระดาษสีขาวไปวางไว้ตรงนั้นพอถึงที่นั่นเราก็เดินข้ามเราจะไปเหยียบไปย่ำมันพอเดินไป น, น, นานๆเข้ามันก็จะถอยเองมดบางชนิดเรายังค่อยเดินต่อได้แต่มดบางชนิดมันก็ไม่ยอมถอยเหมือนกันเราก็เอากระดาษหรือว่าไม้กิ่งไม้ไปวางไว้ให้เป็นเครื่องหมายจากนะั้นเราก็ข้ามอย่าไปเหยียบพวกสัตว์ แต่ขณะที่เดินมีแมลงหรือมีสัตว์ที่เราเหยียบไปมันตายเราจะเป็นบาปไหมอันนี้ในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเราไม่มีเจตน า, เ, าเจตนาหังในจิตพิฆเวกรร ม, มังวดามิให้เขาว่ามีเจตนาเป็นพื้นจึงจะผิดศีลแต่ถ้าว่าเราไม่มีเจตนาเราเหยียบมันตาย อแต่ทั้งที่เราไม่เห็นมันแต่มันบินถล่มเข้ามาแล้วก็เหยียบมันตายไม่เป็นอาบัติอแต่ว่าไม่ควรต้องระมัดระวังถ้ามันบินมาอีกเราก็ต้องระมัดระวังอย่าไปเหยียบทำไมจําเป็นถ้ามันจําเป็นก็นอย่างว่าเพราะมันไม่เห็นนี่แหละอันนี้ก็คือวิธีการเดินจงกรมเดินนานเท่าไหร่ นานเท่าที่จะนานได้คือบางท่านบางองค์เนี่ยท่านจะถูกเจริตกับการเดินแต่พอการนั่งเข้าไปเนี่ยมันงอกง่วงมันอยากจะหลับในขณะที่นั่งเราต้องเดินถ้าเป็นลักษณะนั้นทดลองเดินดูสิเดินให้มากพุทโธพุทโธบางทีถูกเจริตในการเดินพอเดินจงกลมเข้าไปรู้สึกจิตใจปลอดโปร่งนึกคิดเรื่องอะไรความสงบหรือว่ากําหนดลมหายใจหรือว่ากําหนด ก้าวขาเดินอยู่กับตัวเองมีสติดีมาะอันนี้แปลว่าเราถูกกับจิตในการเดินแต่ในเมื่อเดินเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดิน เ, ออเป็นชั่วโมงหรืออย่างน้อยสามสิบนาทีแล้วจากนั้นก็เดินเป็นชั่วโมงสองสามชั่วโมงจากนั้นเราก็ล้างเท้าขึ้นมาแล้วก็กราบพระอลา阿หังสวากาโตสุปฏิปโน เสร็จแล้วไม่ต้องทำวัดยาวไม่ยาวถึงขนาดนี้เพียงตะกาบอลาหังสวาคัตโตสุปฏิปโนเท่านั้นล่ะจากนั้กนก็นั่งสมาธิเลยคือเรีบนั่งสมาธิเพราะในขณะที่เดินใจของเรามันมันมันอยู่ในการเดินมันเคลื่อนไหวร่างกายเคลื่อนไห ว, ก, ไหวกำหนดในการเคลื่อนไหวของร่างกายแต่บัดนี้เมื่อเราขึ้นมานั่งสมาธิเราหยุด ในการเคลื่อนไหวของร่างกายมีแต่ลมหายใจเข้าออกในร่างกายของเรามันยังเข้าออกมันยังเคลื่อนไหวเราก็เอาสติจับอยู่ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกเลยทนี้หายใจเข้าพุทหายใจออกโทรหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทรพอเราเดินย่างกรมเราฝึกในช่วงนั้นมันเป็นการต่อเนื่องในการเดินจากนั้นเราออกขึ้นมาเท่นี้มันต่อเนื่องในการเดินเวลาเรานั่งขึ้นมา เรากำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกใจของเราจะรวมสงบได้ง่ายขึ้นใจของเราจะรวมสงบได้ดีขึ้นจากนั้นเราก็นั่งพยายามนั่งให้นานแต่ถ้าหากว่าบางคนบางท่านเวลาเรานั่นนั่งนานมันปวดขาขึ้นมาจนเหลืออดเหลือทนแล้วเราจะทำยังไงปวดนั่งทีงไรกน็นั่งมันก็ปวดท่านว่าให้พิจารณา เวทนาเวทนาคือการเสวยหรือว่าการเจ็บไข้การปวดในเวทนานั้นมันปวดขาหรือปวดเอวหรือปวดข้อเท้าหรือปวดที่ไหนในขณะที่เรานั่งนั่งไปนานเราเอาจิตจ่อลงจุดนั้นเลยสิวางไม่ต้องกำหนดลมหายใจเข้าออกแล้วนะทีนี้ดูที่เท้าเลย ดูที่มันปวดเลยเอาใจจ่อลงจุดนั้นน่อยกำหนดดูจุดนั้นมันปวดที่ไหนปวดที่หวัวเขาว่าหัวเข่าพับหวัวเข่าพับเนี่ยเราก็พิจารณาเวทนาแมันปวดมันปวดเพราะอะไรใจของของเราไปให้ความสำคัญในการปวดใช่ไหมแต่ถ้าว่าใจของเราไม่ให้ความสำคัญมันจะปวดไหมอย่างคนตายอย่างเนี้ยถ้าโครงคนตายไม่มีใจ มันจะปวดไหมไม่ปวดพ่าะอะไรเพราะคนตายแต่เนี่เรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยเราไปแบกมันไปรับรู้รับทราบมันไปรับรู้ร่างกายมันก็เลยปวดอย่างนั้นใช่ไหมแต่ถ้าว่าคนตายเอามีดสับแล้วค้อนทุบตรงที่หัวเขามันจะปวดไหมคนตายมันจะร้องไหมมันจะบอกว่าเจ็บปวดไหมมันไม่พูดไม่ร้องพ่อยอหลรเพราะไม่มีใจ นี่แหะเราต้องดูร่างกายเนี่ยเทามีใจมันจึงปวดใจของเราไปปวดไม่ใช่เหรอไม่ใช่กายปวดนะใจของเรานะไปรับประพูรับทราบนะ น, นั่นคือเวทนานะเวทนาศัพ์แต่ว่าเวทนาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราดูอีกดูกายแล้วก็พยายามดูใจแยกใ จ, จกจากเวทนาแยกเวทนาออกจากใจแยกใจออกจาก ความปวด น, นั้นดูใชเหมือนกับเราเดินออกมาอยู่นอกรถอย่างนั้นไะเฮ้รถมันติดเครื่องมันติดขัดถึกๆถึๆๆๆแต่เราออกมายืนอยู่ข้างนอกดูที่มันเวทนาที่มันเกิดอันนี้ก็คือแยกกายออกจากกิจแยกกิตออกจากกายจะมีประโยชน์มากต่อไปภายภาคหน้านีเมื่อเราเจ็บไข้ได้ป่วยเมื่อเวทนามันมาเล่นงานร่างกายของเรา เราก็เอาเข้าสมาธิเสร็จแล้วเราก็กําหนดดูที่มันปวดเวทนาสักตะวเวทนามิใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่กา ย, ยไม่ใช่ใจนะเวทนาเป็นอยู่ในกายเท่านั้นเองนะแต่ใจของเราไปแบกมันไปรับผู้รับทราบมันเท่านั้นเองมันจึงทับถมจิตใจของเราเนในเมื่อเราพิจารณาเวทนาอันนี้อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งวิธีกา ร, ป, รปฏิบัติ จากนั้นเมื่อลันมันปวดมันไม่ไหวจริงเราก็ยอมแพ้มันช่จากนั้นก็ปนมมือขึ้นระหว่างอกจากนั้นก็แผ่นำเลืกถึงพุทโธธรรมโสังโคเศจแล้วก็อุทิศส่วนกุศลถึงบรรพชนพ่อแม่ปู่ย่าตายายวงศาคณาญาติญาติมิตรสหายที่เราได้บำเพ็ญจิตภาวนาบุญกุศลมากมาย ขอให้ดวงวิญญาณได้ใจของท่านเหล่านั้นพ่อแม่ปุญ่าตายายทั้ ง, งทรงธาตุขันอยู่ยังมีาธาตุขันอยู่ก็ขอให้เจริญยิ่งด้วยอายุวันะสุขะพะละ<ม>จากนั้นก็ออกจากสมาธินี่ราวิธีการที่เราเดินยังกลมแราวิธีการนั่งภาวนานั่งสมาธิทนี้คณะที่เรานั่งสมาธิที่ว่า ที่หลวงพ่อได้อธิบายให้ฟังว่าจิตใจของเราเข้าสู่ความสงบหรือว่าจิตที่สงบในขณะที่เดินจงกรมนกจิตสงบได้ไหมได้ถ้าจิตจะสงบในช่วงเดินจงกรมเนี่ยเวลาเราเดินไปขาของเราก้าวเดินมันจะชิดหยุดทันทีจะก้าวไม่ออกยืนเน่งในขณะที่จิตเข้าสู่ความสงบในขณะที่เดินใจมันจะอยู่ในความรู้สึกเนี่ย จิตที่เป็นอัปปนาสมาธิมันจะรู้สึกในตัวของเร า, ารู้ได้เลยโอ้อเมื่อกี้นี่เมื่อมันถอนออกมาโอ้ใจของเราเข้าสู่ความสงบในขณะที่เดินเราก็จะรู้แต่ถ้าจิตเป็นอุปจารสมาธิในขณะที่เดินเราก็รู้ว่าจิตใจของเราอยู่กับตัวของเราไม่เด้ปุงไม่พุ่งไม่ซ่านไม่ไปไหนรับรู้อยู่ตลอดในการเคลื่อนไหวในอริยบท อันนี้ว่าจิตที่เป็นอุปจารสมาธิเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกทท่านวิธีการเดินโยกมแลวิธีการนั่งในในขณะที่นั่งหายใจเข้าพุทหายใจออกโทรหรือว่าพุทโทพุทโทพุทโทจากนั้นใจของเราไม่ปรุงออกไปข้างนอกใจของเราอยู่ตัวเจิตในขณะที่เป็นสมาธิในหลักธรรมคำสอน ที่พระพุทธเจ้าท่านบอกกล่าวเอาไว้ท่านแนะนาเอาไว้สมาธิมีอยู่สามระดับมีอยู่สามขั้นสมาธิคณิกะสมาธิเมื่อเรานั่งสมาธิจิตใจของเราพยายามไม่ให้เผลอให้จิตใจอยู่กับตัวให้อยู่นิง่งพยายามให้มีสติสัมปชัญญะอยู่กับตัวเองอยู่ให้มากที่สุด บ, บังคับ เราพยายามหลายครั้งต่อหลายหนจากนั้นใจของเราจะจะรวมสงบเข้ามาเสียดเสียดแล้ ว, ว่าเข้ามาแบบสาบสวยเข้ามาแบบพรัาบวาบ เ, เ, เข้ามาแบบนิ่งแบบแบบเผลอลักษณะเผลอเหมือนกับจะเบลอหรือมันอยากจะหลับแต่มันไม่ใช่นะคล้ายว่ามันมันเข้า ใจของเราเข้าสู่ความสงบในระดับคณิกะสมาธิพอเขามาจิตใจเขามาเย็นว่าบเขามาในจิตใจแต่มันมีความสุขเหนือกว่ากว่าจิตใจของเราที่ไม่เคยมีไม่เคยเป็นมาก่อนใจของเรามีความเย็นสบายมีความสุขเมื่อกี้ในใจของเราทำไหมเป็นเรื่องอะไรทำไมมันเป็นอย่างนี้อันนี้เรียกว่าคณิกะสมาธิ เข้ามาแบบฉาบฉวยแบบข้างคลาวนิดหน่อยนีแปลว่าคณิกะชั่วขณะหนึ่งแต่เราจะไปสนใจอยากอยากให้มันเป็นอีกเราพยายามปล่อยไม่ต้องใส่ใจว่ามันเป็นอะไรไม่ต้องใส่ใจเราก็ภาวนาของเราไปเรื่อยกําหนดลมหายใจเข้าออกไปเรื่อยไม่ต้องใส่ใจในเรื่องที่มันเป็นผ่านมาแล้ว มันจะเป็นอะไรเราไม่ได้ต้องไม่ต้องใส่ใจถ้าเราไปใส่ใจเขามันใจของเรามันจะปูงฟุง้งมันจะไม่เป็นอีกนะออันนี้เราไม่ต้องใส่ใจเราเราพยายามทําเหตุให้พอเดี๋ยวผลมันก็จะเกิดขึ้นมาอีกให้เราได้รู้ได้เห็นต่อไปจากนั้นเมื่อเราพยายามทําจิตใจให้สงบ บ, งบังคับไม่ให้จิตใจปูงฟุง้งให้อยู่กับกรรมฐานอย่างที่ว่าต่อไปจิตใจของเราจะรวมสงบเข้าไป ในระดับหนึ่งระดับนี้คล้ายๆกัว่าสติกับจิตมันทันกันให้ข้อนใจของเรานึกคิดเรื่องอะไรสติมันทันมันทันความนึกคิดจิตใจป็นปรุงมันคิดเรื่องอะไรใจก็ทันครอบคุมครอบจิตจิตใจตรงนั้นมันจะไม่ปรุงไปทางอื่นมันอยู่มันอยู่ในกรอบใจคิดเรื่องอะไรรู้มีสติ รู้อยู่ในใจใจของเราคิดเรื่องอะไรสรุปแล้วก็คือใจของเราในช่วงนั้นไม่ปุงไม่ฟุง้งไม่สานไม่หิวไม่หวยไม่ทุรนทุรายเพราะสติของเราควบคุมจิตอยู่อันนี้เรียก ว, ว่าอุปจาระสมาธิอุปจาระแปลว่าจิตยังไปอยู่ยังรู้เรื่องต่างๆ่างอยู่ยังได้ยินเสียงยังรู้เรื่องอะไรได้แต่พิจารณาอะไรได้แต่ใจของเราไม่หิวไม่หย ไม่หลงไม่เผลอสติใจของเราควบคุมสติอยู่สติควบคุมจิตอยู่อันนี้เราอุปจารสมาธิแต่เราเมื่อนั่งกาหนดดูให้ดีหรือว่ากาหนดดูลมหายใจเข้าออกเข้าไปอีกให้จิตของเราดูให้มันสงบให้นิ่งให้อยู่กับกรรมฐานที่ลมหายใจเข้าออก ใจของเราจะรวมสงบลงไปลึกกว่านั้นอีกเท่าไหร่เออคล้ายๆว่า ต, ก, ก, ต, ก, เต ก, เกเหมือนกับตกเหวตกบ่อเรือดมนเหมือนกับสิ่งอะไรที่มั น, มนเย็นมันมีความรู้สึกว่าเออมันค่อยเทียบนิ่งนิ่งนิ่งน่ง่งไปไเรื่อยๆก็มีมีหลายและมีหลายอย่างจิตรวมประเภทนี้เมื่อจิตรวมสงบลงไป ถึงฐานอัปปนาสมาธิจิตเป็นอันใดสติเป็นอันนั้นสติเป็นอันใดจิตเป็นอันนั้นสติกับจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนิ่งไม่รับรู้เรื่องของกายไงกายนั่งอยู่ที่ไหนไม่รับรู้ทั้งนั้นไม่ได้ยินเสียงรถเสียงราเสียงขู่เสียงคนเสียงคนพูดเสียงอะไรไม่ได้ยินทั้งนั้นแต่สติกับจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมันเป็นเอกเทศ อันนี้ว่าจิตที่เป็นอัปปนาสมาธิในเมื่อจิตที่เป็นอัปปนาสมาธิอยู่ในานานไหมบางคนก็อยู่ในานานเพราะเป็นพลังและเป็นกําลังในการภาวนาของแต่ละคนเอจากนั้นก็ถอนถอนขึ้นมาเป็นอุปจารสมาธิจิตถอนขึ้นมาเราก็รู้ว่าจิตถอนขึ้นมาเราก็รู้อีกว่าอืเมื่อกี้เนี่ยใจของเราเข้าสู่ความสงบเอสงบ จิตใจสงบอันนี้ใจของเราเป็นสมาธิาไม่ต้องถามใครอีก ร, รู้ได้ด้วยตนเองอีกตัางหากถ้าจะถามใครก็ถามลักษณะลองเชิงไปยลักษณะอย่างนั้นแต่ตามตามที่จริงตัวเองมั่นใจเกินร้อยว่าใจของเราเนี่ยสงบถึงขั้นอัปปนาสมาธินี่แหละอันนี้ให้พวกเราทดลองดู จิตที่เป็นอัปปนาสมาธินี่แหละหลวงพ่อเองมั่นใจว่าเรารู้ได้เลยว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญเราจะรู้ได้ด้วยขณะที่จิตเป็นอัปปนาสมาธิเพราะมันแยกกายออกจากจิตแยกจิตออกจากกายแยกตัวผู้รู้ออกจากร่างกายกายกับใจเนี่ยมันคนละส่วนเป็นคนละเรื่องกันที่หลวงพ่อพูดแล้วพูดีว่าร่างกายเหมือนกับรถใจเหมือนกับคนขับรถเนะ่ นี่แหละมันเห็นได้ชัดในขณะที่จิตที่เป็นอัปปนาสมาธินี่เมื่อจิตที่เป็นอปปนาสมาธินั้นจะพิจารณาอะไรไม่ได้ทั้งหมดเพราะมันอยู่เน่งอยู่ตามลำพังไม่รับผู้รับทราบอะไรเรื่องอะไรทั้งหมด mm hmm. จากนั้นเมื่อถอนขึ้นมาจากอปปนาสมาธิเข้ามาสู่อุปจารสมาธิจากนั้นจึงนํามาพิจารณาเรื่องราวต่างๆ พิจารณาอะไรนี่แหละพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระพุทธเจ้าท่านให้พิจารณากรรมฐานธาตุอันดับแรกก็คือเกษาผมโลมาขนนาคาเล็บธันตาพันตะโจหนังหรือพิจารณาธาตุสีดินน้ำลมไฟ ห, หรือพิจารณาอาการสามสิบสองของร่างกายเพราะว่าอพระพุทธเจ้าท่านว่าพวกเราท่านทั้งหลายหลงร่างกาย พอหลงร่างกายและหลงอย่างอื่นไปไปหมดเพราะนั้นขอให้พวกลูกหลานคณะัทธายาติโยมทุกหมู่เหล่าเข้ามาลูกหลานทั้งหลายที่จะเข้ามาบวชในคราวนี้ในครั้งนี้หลวงพ่อว่าอยากจะให้ลูกหลานทั้งหลายนั่งสมาธิได้เพียงจิตที่เป็นสงบรวมเป็นอัปปนาสมาธิสักครั้งหนึ่งหลวงพ่อว่าลูกหลานจะจาไม่ลืมผลแห่งความสงบที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า นัตถิสันติปรังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีพวกเราจะได้ริมรถความสงบในจิตที่เป็นในความสงบจิตใจของเราได้รับความสงบนั้นเน้นละขอให้พวกเราลูกหลานผู้ที่จะเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาไม่ใช่หลอกคนเล่นเป็น เรื่องๆไปไม่ใช่นะเราต้องพิสูจน์ด้วยตนเองเราต้องนั่งภาวนาต้องทําจิตใจให้สงบอย่างที่พระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาที่ท่านแนะนําสั่งสอนหลวงพ่อว่าทานลูกหลานเอาจริงจังและจริงใจความสงบปล่มเย็นเป็นสุขก็จะเกิดขึ้นเมื่อเราเป็นไปเป็นคราวาดรางยโยมใจของเราได้รับผ่านความสงบผ่าน การพิจารณาการรับรู้รับทราบกายกับใจใจกับกายจากนั้นเราจะพิจารณาเรื่องหลักการเป็นอยู่ของเราเราจะรู้ได้ว่าควรทำอย่างไรควรปฏิบัติตนอย่างไรควรรับรู้อย่างไรควรวางตนอย่างไรเพวกเรามีสติสัมปชัญญะควบคุมการกระทาของเราคือความนึกคิด ก่อนที่มันจะทำความชั่วมันก็ต้องคิดซะก่อนพอคิดเสร็จแล้วมันห้ามใจไม่อยู่นะสติของเรามันไม่อยู่มันไม่ไม่กล้าพอพอห้ามใจไม่อยู่มันก็สั่งให้กายไปกระทำในสิ่งที่ชั่วช้าเสียหายสั่งวาจาไปให้พูดในเสื่องส่งซึ่งชั่วช้าเสียหายโผลในสุขขนาดนัน้มันก็ย้อนจะ้อนย้อนกลับมาหาใจพอใจมาถึงตัวเองแลยขนนั้น กายทั้งกายทั้งใจทั้งกายทั้งวาจาทางใจนะรับเรื่องชั่วช้าเสียหายเพราะขาดการยับยัง้งเพราะนั้นเรื่องสมาธิเป็นสิ่งที่จำเป็นสำคัญอย่างมากให้พวกเราท่าทั้งหลายให้ภาวนาให้มีจิตใจพูดเรือกเย็นแล้วก็ให้มีจิตใจมีเหตุผลแล้วก็ให้ใจของเราได้รับความสงบน่มเย็นเป็นถุก ใจของเราจะรู้ใจของเรามีเหตุมีผลรู้จักดีรู้จักชั่วรู้จักบาปุูนคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ในเมื่อเราทำจิตใจให้เป็นสมาธิดีแล้วนะและการพูดในวันนี้ก็เห็นว่าสงควรกับการเวลาขอยุติในการพูดต่อไปให้กูบาเปิด mp สามให้ฟังอีกสักกันหนึ่งนะเพราะพวกเราเข้ามาคราวนี้เข้ามาเพื่อการศึกษา และใครนั่งภาวนาภาวนาพุทโธพุทโธไปด้วยนะในขณะที่ฟังเทศหรือฟังเอ็มสามหลวงพ่อเนะี่ยให้กําหนดดูลมหายใจเข้าออกบริกรรมพุทโธพุทโธไม่ต้องใส่ใจไปในเสียงให้มีสติอยู่กับตนเองเท่านั้นไม่ต้องฟังเพื่อจําฟังเพื่อรู้รู้รู้รู้รู้รู้พูดอะไรพูดเรื่องอะไรเท่านั้นแหละพอนะนี่คือฟังเทศ เจตนาคือการฟังเทศเป็นพูดง่ายๆถ้าเราฟังเทศเพื่อจํำก็ท่านพูดเรื่องอะไรจําไปหมดพร้อมที่จะมาพูดได้แต่หากฟังเทศเพื่อรู้เนี่ยดูใจของตนเองรู้รู้รู้รู้เพียงแค่นั้นแหละขอให้พวกเราเอาใจอยู่กับตัวเองนะเพียงแต่รู้รเท่านั้นพอแล้วนะเอาเปิดได้นะทีนี้นะ